วิธีกระตุ้นให้มนุษย์ก้าวไปสู่ความสำเร็จข้าพเจ้าเคยได้ทำความรู้จักกับปิดบาโลปิดมีหน้าที่แสดงกับหมาและม้าในละครสัตว์และละครเร่ซึ่งเขาต้องใช้ชีวิตท่องเที่ยวกับคณะละครเหล่านี้เกือบตลอดชีวิตของเขาข้าพเจ้าชอบดูปิดหัดหมามใหม่สำหรับการแสดงหน้าเวทีร่วมกับเขาข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าขณะแรกที่หมาได้ทาอาการว่า พอจะเข้าใจบางอย่างดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเท่านั้นปิดจะตบหัวมันชมเชยมันต่างๆให้เนื้อแก่มันและเอะอะวุ่นวายประหนึ่งเป็นของใหญ่โตและสลักสำคัญ นั่นไม่ใช่เป็นของใหม่คนฝึกหัดสัตว์ทั่วไปอาศัยเทคนิคนี้นับเป็นเวลาหลายศตรวรรษมาแล้วข้าพเจ้าสงสัยว่าทำไมเราจึงไม่ใช้สามัญสำนึกในการที่เราพยายามจะเปลี่ยนแปลงบุคคลใดก็ตามโดวยวิธีเดียวกับการเปลี่ยนหมาให้รู้จักทาโน่นนี่ทำไมเราไม่ใช้เนื้อแทนแซ่ทำไมเราไม่ใช้คำชมเชยแทนคาด่าว่าเราจงชมเชยแม้แต่ในสิ่งที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อย การปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยเป็นกําลังดันให้อีกฝ่ายหนึ่งก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นเป็นลำดับพัสดีลุยอีรอได้พบการชมเชยในสิ่งที่ดีขึ้นเพียงเล็กน้อยเกิดผลงามอย่างยิ่งแม้จะนำไปใช้กับอาชญากรใจเหี่ยมในคุกสิ่งผมได้พบว่าพัสดีรอเขียนจดหมายถึงข้าพเจ้าซึ่งได้รับในขณะเขียนบทนี้ การยกย่องชมเชยตามสมควรในความอุตสาหะพยายามของนักโทษจะเกิดผลให้มีการร่วมมือและสุดท้ายเขาจะกลายเป็นพลเมืองดียิ่งกว่าการติเตียนอย่างรุนแรงและด่าว่าถึงความระยำหยัมเปของเขาข้าพเจ้ายังไม่เคยถูกจองจำในคุกสิ่งอย่างน้อยที่สุดก็ยังไม่เคยในเวลานี้แต่ข้าพเจ้าสามารถมองย้อนไปยังชีวิตของข้าพเจ้าแต่หัหลังและพบว่า คำยกย่องชมเชยเพียงสองสามคำที่ข้าพเจ้าได้รับเท่านั้นได้เปลี่ยนแปลงอนาคตของข้าพเจ้าอย่างกระทันหันและโดยสิ้นเชิงท่านจะยอมรับอย่างเดียวกับข้าพเจ้าไหมว่าคำยกย่องชมเชยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านเช่นเดียวกันแม้แต่ในประวัติศาสตร์ยังดา ด, ดื่นด้วยตัวอย่างอันน่าสนใจถึงการใช้คำยกย่องอันหวานซึง้งดุดใช้เวทมนต์คาถาเป็นต้นว่า เมื่อครึ่งศตวรรษมาแล้วเด็กชายอายุ10ปีคนหนึ่งทำงานอยู่ในโรงงานแห่งหนึ่งที่เมืองเนเปลิลเขาอยากเป็นนักร้องแต่ครูคนแรกของเขาทำลายกำลังใจของเขาเสียหมดสิ้นเธอร้องเพลงไม่ได้หรอกครูคนนั้นพูดเสียงของเธอใช้ไม่ได้มันดังเหมือนลมผ่านช่องหน้าต่างแต่แม่ของเขาเป็นหญิงชาวนาที่ยากจนกอดรอบกายของเขาและชมเชยเขาว่าหลอนรู้ดีว่าเขาสามารถร้องเพลงได้ และว่าหลอนรู้สึกว่าเขาร้องได้ดีขึ้นหลอนไม่ซื้อเกือกสวมและไม่ไปไหนมาไหนตีนเปื่อยทั้งนี้ก็เพื่อประหยัดเงินไว้สำหรับเป็นค่าเล่าเรียนดนตรีของเขาหญิงชาวนาผู้นี้ยกย่องชมเชยลูกชายของหลอนและส่งเสริมกำลังใจของเขาจนกระทั่งชีวิตของเด็กคนนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงท่านคงจะเคยได้ยินชื่อของเขาเขาชื่อคารูโซ หลายปีมาแล้วชายหนุ่มในกรุงลอนดอนคนหนึ่งมีความปรารถนาแรงกล้าที่จะเป็นนักประพันธ์แต่สิ่งแวดล้อมในทุกประการดูประหนึ่งเป็นมานรร้ายคอยขัดขวางความปรารถนานี้ไว้เขาไม่เคยเข้าศึกษาเล่าเรียนในโรงเรียนเกินไปกว่า4ปีพ่อของเขาถูกส่งเข้าตารางเพราะไม่มีเงินชานําระหนี้และชายหนุ่มผู้นี้ได้เรียนรู้ว่าความทุกข์ทรมานจากการอดอยากหิวกระหายซึ่งเกิดขึ้นเสม อ, สมอๆมีพิษสงอย่างไรบ้าง ลงท้ายเขาได้ทำงานในหน้าที่ปิดฉลากขวดยาขัดหนังสีดำในโรงสินค้าซึ่งมีหนูชุมแห่งหนึ่งและเขานอนที่ห้องเพดานคับแคบอุดอู้กับเพื่อนเด็กหนุ่มสองคนซึ่งเป็นเด็กกุ้ยหนีมาจากโรงเลี้ยงคนอนาถาในกรุงรอนดอนเขามีความเชื่อมั่นต่อสมรรถภาพของตนเองในการประพันธ์เพียงเล็กน้อยเท่านั้นด้วยเหตุนี้เขาจึงย่องออกจากที่พักในเวลาดึกสงัดนาต้นฉบับไปทิ้งลงในตู้ไรษณีย เพื่อไม่มีใครเห็นการกระทํานี้และหัวเราะยกเขานาวนิยายขนาดสั้นที่เขาแต่งประสบการปฏิเสธเรื่องแล้วเรื่องอีกสุดท้ายวันสำคัญในชีวิตของเขามาถึงกล่าวคือนวนิยายขนาดสั้นเรื่องหนึ่งใช้การได้จริงอยู่ถึงเขาไม่ได้รับเงินเป็นค่าตอบแทนแม้แต่ซิลลิงเดียวหากคํายกย่องชมเชยของบรรณาธิการนิตยาสารฉบับนั้นมีค่ากว่าเงินจานวนใหญ่เสียอีก เป็นอันว่ามีบรรณาธิการคนหนึ่งยอมรับนับถือความสำคัญของเขาแล้วเขารู้สึกตื่นเต้นด้วยความปิติยินดีจนกระทั่งเขาเดินเรื่อยเปื่อยไปตามถนนต่างๆพร้อมกับมีหยาดน้ำตาไหลยหยดไปตามแก้มคำยกย่องชมเชยการรับนับถือความสำคัญโดยนวัติยายสั้นเรื่องหนึ่งของเขากลายเป็นตัวพิมพ์เปลี่ยนวิถีชีวิตของเขาหมดสิน้นถ้าไม่ใช่เพราะเขาเกิดกำลังใจแก่กล้าเพราะนวัติยัยสั้นเรื่องนั้นใช้การได้ น่ากลัวว่าเขาจะต้องมีชีวิตจนถึงวาระสุดท้ายทํางานอยู่ในโรงสินค้าหนูชุมแห่งนั้นท่านคงจะเคยได้ยินชื่อชายหนุ่มคนนี้เช่นเดียวกันเขาชื่อชานดิกเกนไงละท่านประมาณครึ่งศตรวรรษมาแล้วเด็กหนุ่มอีกคนหนึ่งในกรุงลอนดอนได้ทํางานที่ร้านขายผ้าแห่งหนึ่งเขาต้องตื่นนอนเวลาห้านาฬิกากวาดร้านและทํางานอย่างทาดวันละสิบชั่วโมงเขาทํางานนี้ด้วยความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดและแสนเกลียดชัง หลังจากทำอยู่สองปีเขาไม่สามารถจะทนต่อไปได้ดังนั้นเมื่อเขาตื่นนอนขึ้นในเช้าวันหนึ่งและโดยไม่ค่อยกินอาหารเช้าเขาย่ำเป็นหนทางสิบห้าไมล์ไปหาแม่ของเขาผู้ทำงานเป็นแม่บ้านอยู่ที่บ้านแห่งหนึ่งเขารำพึงรำพันตีโพยตีพายแก่แม่เขาอ้อนวอนเขาร้องไห้เขาสบัดสาบานว่าเขาจะฆ่าตัวตายถ้าเขาต้องทำงานในร้านนั้นต่อไปอีก รั้นแล้วเขาเขียนจดหมายยาวยืดอย่างน่าสงสารฉบับหนึ่งถึงครูโรงเรียนเก่าของเขาแจ้งว่าเขากำลังกลุ่มใจเป็นแสนสุดจนแทบเป็นบ้าและไม่อยากจะมีชีวิตอยู่สืไปครูผู้นั้นยกย่องชมเชยเขาเพียงเล็กน้อยและบอกเขาให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเองว่าเขาเป็นคนเฉลียวฉลาดและเหมาะสมที่จะทำงานที่ดีไปกว่านั้นและให้งานครูแก่เขา การยกย่องชมเชยของครูได้เปลี่ยนอนาคตของเด็กหนุ่มผู้นี้ผู้ซึ่งได้สร้างวรรณกรรมอันไม่รู้จักตายแห่งอักรรษรศาสตร์อังกฤษเนื่องจากเด็กหนุ่มคนนี้จับงานประพันธ์ตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมาและเขาแต่งหนังสือไว้ถึง77ดเล่มและทำรายได้กว่าหนึ่งล้านเหรียญท่านคงจะได้ยินชื่อของเขาเขาชื่อว่า H. D. Wells vale, ไงละท่าน ย้อนกลับไปยังปีคริสตศักราช 1,922 มีชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในรัฐแคลิฟอร์เนียใช้ความพยายามอย่างแข็งขันที่จะหารายได้มาให้พอเลี้ยงดูเมียของเขาเขาร้องเพลงสวดในโบสถ์ในวันอาทิตย์และร้องเพลงโอโรมิสมีเมื่อคู่บ่าวสาวเข้าพิธีสมรสในโบสถ์ซึ่งได้รับรางวัลคราวละห้าเหรียญเขายากจนมากจนกระทั่งไม่สามารถอยู่ในเมืองได้และบ้านเช่าของเขาเป็นบ้านสัปะรังเคหลังหนึ่ง อยู่กลางสวนองุ่นเขาเสียค่าเช่าบ้านเดือนละสิบสองจุดห้าเหรียญแม้กระนั้นถึงค่าเช่าบ้านจะถูกขนาดนี้เขายังคงไม่สามารถชำระได้ทุกเดือนและค้างค่าเช่าอยู่ถึงสิบเดือนเขาทํางานเก็บองุ่นในสวนนี้เพื่อหักกับค่าเช่าเขาบอกข้าพเจ้าว่าในบางครั้งเมื่อเขาไม่มีอาหารกินอิ่มท้องเขาจะกินผลองุ่นแทนเขารู้สึกท้อแท้ในชีวิตกระทั่งตกลงใจจะทํางานร้องเพลงเพื่อโฆษณาขายรถบรรทุกเป็นอาชีพ แต่แล้วรูเปิร์ธฮิวพูดกับเขาคุณร้องเพลงเสียงวิเศษมากคุณควรจะศึกษาการร้องเพลงในนิวยอร์กชายผู้นี้บอกข้าพเจ้าเมื่อเร็วๆนี้ว่าการชมเชยเพียงเล็กน้อยและการส่งเสริมกำลังใจเพียงนิดเดียวเท่านี้ได้กลายเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อแห่งวิถีชีวิตของเขาเพราะหนุนให้เขากล้ายืมเงินเพื่อนผู้หนึ่ง 2,500 เหรียญแล้วเดินทางไปทิศตะวันออกท่านอาจจะเคยได้ยินชื่อของเขาเช่นเดียวกันเขาชื่อลอเรนทิปเบต พูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นท่าท่านและข้าพเจ้าจะสนับสนุนกำลังใจบุคคลที่สัมพันธ์กับเราด้วยการให้เขาสำนึกในคุณค่าแห่งความสามารถซึ่งซ่อนอยู่ในกายของเขาเราไม่เพียงแต่จะสามารถเปลี่ยนแปลงเขาเท่านั้นหากเราจะเปลี่ยนแปลงรูปชีวิตของเขาทีเดียวท่านคิดว่าพูดเพ้อเจ้อกระมังถ้าเช่นนั้นจงฟังวาทาศาบซึ้งของท่านศาสตราจารย์วินเลียมเยมแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดผู้ล่วงลับไปแล้ว ผู้ซึ่งเป็นนักจิตวิทยาและนักปรามีชื่อเสียงที่สุดของสหรัฐถ้าลองเปรียบเทียบดูว่าเราควรจะอยู่ในฐานะใดเราเพียงแต่เป็นคนครึ่งหลับครึ่งตื่นดีๆนี่เองเราได้ใช้ประโยชน์ขุมทรัพย์แห่งร่างกายและจิตใจของเราแต่ส่วนน้อยเท่านั้นหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือหมายความว่ามนุษย์เราต่างดำรงชีวิตอยู่ห่างไกลจากจุดหมายที่เขาควรจะก้าวไปถึงมนุษย์เราต่างมีพลังอยู่นาน า, นาชนิด พลังซึ่งเขามักจะล้มเหลวอยู่เสมอในอันที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์แน่นอนทีเดียวท่านผู้อ่านวาทานี้ของวินเลียมเยมต่างเป็นเจ้าของพลังนานาชนิด ซึ่งท่านมักจะล้มเหลวอยู่เสมอในอันที่จะใช้มันให้เป็นประโยชน์และพลังอย่างหนึ่งในบรรดาพลังทั้งหลายของท่านซึ่งท่านม่ได้ใช้ให้เต็มที่ก็คือหลักแห่งการยกย่องสรรเสริญผู้อื่นและการสนับสนุนกำลังใจผู้อื่นให้เขาสํานึกตัวว่าเป็นเจ้าของความสามารถบางประการซึ่งแฝงอยู่ในกายของเขาดังนั้นการเปลี่ยนแปลงผู้อื่นโดยไม่ให้มีความรู้สึกบาดหมางหรือก่อให้เกิดความรู้สึกขุนเคืองกฎที่หกมีดังนี้ จงยกย่องสรรเสริญผู้อื่นแม่เขาได้ทำสิ่งใดๆดีขึ้นเพียงเล็กน้อยและยกย่องทุกครั้งที่เขาทำสิ่งใดๆได้ดียิ่งขึ้นจงเห็นพ้องด้วยน้ำใสใจจริงและยกย่องชมเชยอย่างเต็มที่